จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมะทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการบรรยายประวัติของพระมหาเถระอันดับที่ห้าสิบคือประวัติของท่านพระโสณกุติกั น, นเถระพระโสนกุติกั น, นเถระผู้นี้ประวัติเดิมของท่านก็คือ เป็นบุตรของอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อว่านางกาลีอุบาสิกาผู้นี้เป็นพระโสดาบันเป็นคนกรุงราชคลึหรือเป็นคนที่เกิดในนครราชคลึเดิมนั้นท่านชื่อว่าโสนะที่ชื่อว่าโสนะนี่ก็เข้าใจว่าคงจะมีผิวพันธ ผุดพองสวยงามจึงได้ชื่อว่าโซนะเพราะโสนะในแปลว่าทองคําที่เรียกว่ามีผิวพันธ์ผุดพองดังทองทาแบบประเภทนั้นแต่เพราะว่าโซนะมานพ้นีใช้เครื่องประดับหูคือใครเครื่องประดับที่ตกแต่งหูที่เราเรียกกันว่าต่างหูหรือตุอ้มหูมีค่าควรถึงโกอดหนึ่งคือราคาเครื่องประดับหูนั่นราคาถึงโกอดหนึ่ง จึงได้มีคำว่ากุติกันนะต่อท้ายชื่อของท่านว่าโสนะกุติกันนะกุติแปลว่าโกดมาจากคำว่าโกฎกันนะแปลว่าหูก็ได้แก่พระโสนะได้แก่โสนะผู้มีต่างหูราคาหนึ่งกบนั่นเองต่างหูนี้ในครั้งพุทธกาลนั้น ชายประดับได้ทั้งหญิงและชายและสำหรับคนในชุมภูทวีปนี้ปัจจุบันนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังพอหาดูได้สำหรับผู้ชายที่ประดับต่างหูหรือว่าชายต่างหูหรือว่ามีเครื่องประดับที่ที่หูนั้นส่วนผู้หญิงนั้นก็ยังมีอยู่ตามปกติแต่สำหรับผู้หญิงชาวอินเดียนั้นรู้สึกว่า จะประดับที่หูใช่ประดับต่างหูนั้นใช้ประดับมากมายเหลือเกินคือแทนที่ว่าจะใช้เพียงคู่เดียวคือข้างละชิ้นแต่ว่าบางคนนั้นประดับมาตั้งแต่ทั้งใบหูเลยเจาะไปลูๆถึงหกเจ็ดลูก็มีหกเจ็ดช่องแล้วประดับทุกช่องเลยก็มีเข้าใจว่า โสนกุติกั น, นะผู้นี้ก็คงจะมีในเช่นนี้เหมือนกันคือจะใช้ต่างหูหรือว่าเครื่องประดับหูนี่มากชิ้นด้วยกันคือเจาะที่ใบหูนี่ตลอดแล้วก็ใช้ต่างหูนี่ประดับทุกช่องเพราะฉะนั้นเครื่องประดับนั้นก็ประกอบไปด้วยเพชรนินจินดารวมแล้วราคาที่ประดับหูนี้ประมาณหนึ่งกฎจึงได้มีชื่อว่า กุติกันนะต่อไทยนามของท่านวสโณนะก็รวมเป็นวสโณนะกุติกันนะเมื่อครั้งท่านพระมหากัจจายนะอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อว่าประวัตต์ท่านรสโณนะกุติกันนะผู้นี้ ก็อยู่นาทีนั้นเหมือนกันความจริงแล้วถ้าจะพูดไปถึงเรื่องการใช้เครื่องประดับหูนี้แม้ในโบราณการคนไทยเราผู้ชายก็ใช้เครื่องประดับหูเหมือนกันแต่เมื่ออยู่ต่อต่อไปแล้วก็ผู้ชายนั้นก็เลิกในการที่ใช้ต่างหูยังคงใช้แต่ผู้ที่เป็นสตรีเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าจะหวนกลับไปใช้ประเพณีเดิมคือมีผู้ชายบางท่านนั้นยังใช้เริ่มที่จะใช้ต่างหูกันแล้วซึ่งได้เห็นมาเป็นบางท่านบางคนเท่านั้นโซนะกุติกันนะมานพุนีเมื่อครั้งที่พระมหากัจายานะอาศัยอยู่ที่ภูเขาชื่อประวัตะแขวงเมืองกุรุขละในอวันตีชนบท มารดาของโสนกุติกันนะมานบก็ได้เป็นอุปถากอุปถายิกาของท่านก็คือว่ารับเป็นโยมอุปถากด้วยปัจจัยทั้งสี่แก่พระมหากาจัจจายนะเมื่อโสนกุติมารณ์กนนะนบนี้เจริญไวัยได้ลเจริญไวขึ้นแล้วได้ฟังได้ฟังธรรมเทศนาของท่านพระมหากาจัจจายนะก็เกิดความเลื่อมใสได้แสดงตนเป็นอุบาสก แล้วก็ถวายตัวเป็นโยบอุปถัมภ์ของท่านด้วยแต่อยู่ต่อมาในภายหลังนั้นโสนกุติกะนะมะานพูณีมีความปรารถนาจะบวชจึงได้เข้าไปเรียนเรื่องนี้ให้แก่ท่านพระมหาการยนะท่านพระมหากยายนะบอกความประสงค์ของตนให้ท่านทราบท่านพระมหาการยนะก็ได้ชี้แจง แกโสนอุบาสกถึงการประพุทธพรมจันท ร, ร์เนี่ยมันลำบากเป็นมันลําบากอย่างไรแนะนำให้บําเพ็ญศาสน า, านกิจปฏิบัติในทางคลาวาดซึ่งท่านพระมหาอมโมคละอมพรมหากัจจายนะได้แสดงถึงความลำบากในการประพุทธพรมจันท ร, ร์นี้แกโสนอุบาสกว่า การประพฤติพรหมจรรย์เป็นภิกษุในพุทธศาสนานี้ได้รับความลำบากมากนอนกลางดินกลิ่งกลางทรายมีอาหารเพียงมือเดียวและอาหารที่ได้มานั้นก็ตามมีตามเกิดเท่าที่ศรัทธาของญาติโยมที่จะถวายมีอย่างไรก็ต้องฉันอย่างนั้นอยู่ไปเพื่อปฏิวัติเศาษนากิจไปวันๆหนึ่งเท่านั้นที่จะมีเครื่องบาเลอความสุขนั้นหามีไหม ก็แนะนําว่าการอยู่เป็นคารวะวิสัยนั้นเป็นแต่เพียงรักษาศีลห้าประจําวันส่วนในวันอุโบสถหรือวันในวันพระก็รักษาศีลแปดแล้วให้ทานให้ทานจเจริญสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ท่านพระมหากจายนะได้ชี้แจงถึงความลำบากหรือโทษแห่งการบวชเป็นภิกษุในสุตศาสนาเช่นนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะหาพระภิกษุครบตามจำนวนสิบรูปตามที่องค์สุเดจพสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุสิบรูปจึงจะยังจึงจะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ ถ้าต่ำกว่าสิบลูกไปไม่สามารถที่จะให้อุปสมบทได้ก็เพราะในอวันตีชนบทนั้นหาภิกษุไม่ได้ถึงครบสิบลูกตามจำนวนก็จึงได้พูดจาบายเบี่ยงให้โสนอุบาสกผู้นี้ปร ะ, ประพฤติพรหมจรรย์แบบคลวาสหรือบำเพ็ญศาานากิจในทางฆรวาส ไม่ใช่ว่าปรสงค์ที่จะกล่าวโทษในการปฏิบัติศาสนาของพระภิกษุแต่ว่าโสนอุบาสกนี้เป็นผู้ที่มีศรัทธาแก่ปลาถึงแม้ท่านพระมหากาจายา น, นี้จะอธิบายถึงความลำบากในการเป็นภิกษุในพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามก็ยังปรารถนาที่จะบวชอยู่จึงได้อ่อนวอนขอให้ท่านสงเคราะห์เนือง ในการที่จะให้บวชในที่สุดท่านพระมหากจาจยานนี้ก็ไม่สามารถที่จะบ่ายเบี่ยงได้ก็ให้โซนะอุบาสกผู้นี้บวชเป็นเพียงบวชได้เป็นเพียงสมณเณรเท่านั้นก็เพราะเหตุที่ว่าในอวันตีชนบทนี้มีพิสุน้อยหาพิสุไม่ได้ถึงครบสิบลูกโซนะสมเณนรนี้ต้องบวชอยู่ต้องบวชเป็นสมณเณรอยู่จนถึงสามปี จึงจะได้รับการยติอุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาจึงได้รับการยติเป็นภิกษุในพุทธศาสนาด้วยวิธียติจตุถกรรมมาวาจาโดยมีท่านพระมหากาจายนะเป็นพระอุปชายยะเมื่อพระโสนกุติกันนะได้อุปสมบทแล้ว ก็ศึกษาเล่าเรียนพระกรรมฐานกรรมฐานอยู่ในสำนักของพระอุปชาโดยเป็นผู้ที่ไม่ประมาทอุตสาบมเพนเพียนเยนจเริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลเป็นพระอเสขบุคคลในพระพุทธศาสนาท่านพระโสนากุติกันนะเมื่อได้สำเร็จ อรหัตผลเป็นพระอเสบอาขาบุคคลแล้วมีความประสงค์ที่จะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก็เพราะเหตุว่าตนเองนั้นนะยังไม่ได้เคยเห็นยังไม่ได้เคยพบเห็นพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยต้องการที่จะไปเยี่ยมและจะไปไเห็นพระพุทธองค์ จึงได้เข้าไปกราบจึงได้เข้าไปกราบลาพระอุปชายยะคือท่านพระมหาการยนะท่านก็อนุญาตแลวก็สั่งท่านพระและก็สั่ ง, งให้พระโสนกุติกนภูนีไปถวายบังคมพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล่าวตามธรรมคำของท่าน และก็ให้กราบทูลถึงการปฏิบัติพระวินัยบางอย่างอันไม่สะดวกแก่พิสุผู้อยู่ในชนบทหรือว่าอยู่ในปัจจันชนบทซึ่งมีการอุปสมบทเป็นต้นตามที่ได้กล่าวไปไวแ้วไวแล้วในประวัติของท่านพระมหากัจจัยนะเพื่อที่จะได้รับพระพุทธดำริแห่งพระบรมศาสดา ทนพระโกุติกันนะ่นลาพระอุปชายะแล้วก็ได้ไปลาโยมมารดาของตนเองที่จะไปเยี่ยมไปไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านางกาลีผู้เป็นพระโสะดาบันผู้เป็นมารดานั้นก็ได้ฝากผ้ากำพลถึงผืนหนึ่งให้เอามาปูลาดที่พระคันทกุดีที่ประทับของพระบรมศาสดาด้วย ทานพระโสดกุูติกณะก็ได้จัดแจงเมื่อลาโยมันดาลับผ้าแล้วก็จึงได้จัดแจงเก็บเสนาสนะถือเอาบาดและจีวร อ, ออกจากอาวันตีชนบทเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในพนาคอสาวัตถีครั้นถึงที่ประทับแล้วทราบอ่าแล้วกราบถวายบังคม ก็นั่งอยู่ณสมควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์ก็ทรงตรัสปฏิสันฐานตามสมควรแล้วก็ตรัสสั่งให้พระอนนนีจัดแจงที่พักให้โดยให้พักในพระคันธกุฎีเดียวกับพระองค์ในเวลาราตรีจนจะสว่างคืนนั่นเององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้รับสั่งให้ท่าน พระโสนักุติกานะนี้ถาวายพระธรรมเทศนาถาวายพระเทศนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแม้พระองค์จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นอัครบุคคลผู้เลิศผู้ยอดกว่าพิคนทั้งหลายนั้นก็ตามแต่พระองค์ก็ยังสนพระไยในเรื่องการฟังพระธรรมเทศนาดังนั้น เมื่อพิสูรรูปใดเป็นผู้มีความสามารถหรือมีความอาเห็นพระองค์เห็นสมควรพระองค์ก็ทรงอรัตนก็ทรงอรัธนาท่านพระโสดาเุติกานะนั้นได้รับอาราธนาจากพระพุทธองค์แล้วก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาถวายกันหนึ่งในในพระธรรมเทศนานั้นว่าโดยพระสูตรอันแสดงถึงวัตถุแปดประการ ด้วยเสียงอันไพเราะด้วยถ้อยคําอันไพเลาะพระองค์ทรงสดับแล้วก็ตรัสสาธุการชมเชยว่าดีละภิษุแล้วก็ตรัสถามถึงอายุพรรษาของท่านต่อไปท่านภายหลังต่อมาท่านก็เด็กกราบทูลให้ทรงอท่านก็เด็ ก, กราบทูลให้ทรงทราบทุกประการขั้นการต่อมาท่านโสนกุติกรณ น, นี้พอได้โอกาสก็จึงได้ ก, กราบทูล ข้อความที่พระอุปัชฌายะสั่งมาพระองค์ก็ทรงอนุญาตผ่อนปลนให้ตามประสงค์เมื่อท่านอยู่ในประที่ประทับของพระบรมศาสดาพอสมควรแก่การแล้วก็ได้กราบถวายบังคมลากลับมายัางสำนักของพระมหากจรยนะตามเดิมท่านกลับมาแล้วก็ได้แสดงธรรมเทศนาที่ได้ถวายได้แสดงถวายแก่พระวรมศาสดานั้น ให้มานดาของตนเองฟังโดยทำนองนั้นอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้แหละท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดา ว, ว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสุทั้งหลายผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะเมื่อท่านดาลงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การก็ดับขันปรินิพานนับว่าท่านก็เป็น กำลังอันสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาแห่งพระพุทธศาสนาแห่งพระบรมศาสดาองค์หนึ่งเหมือนกันนี่เป็นประวัติของท่านพระโสนกุติกันะประวัติต่อไปก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่ห้าสิบเอ็ดก็คือประวัติของพระละกุนตะกะพัทิยะลักุนตกะพัทิยะนี้ ประวัติเดิมของท่านก็คือเป็นคนเกิดในตระกูลที่มั่งคัง่งคือในตระกูลของเศรษฐีมีทรัพย์มีสมบัติมากในพระนครสาวถีนั่นเองครั้งหนึ่งเดิมนั้นท่านชื่อว่ารกุลตะกะเดิมนั้นท่านชื่อว่ารั ก, กุลตะกะพัทยะแต่บางตำนานได้กล่าวว่า เดิมนั้นท่านชื่อเพียงละกุลดกักอันตะกะเท่านั้นแต่เพราะเหตุที่ว่าท่านนั้นเป็นคนชาวอ่าเป็นคนชาวเมืองพัทยะก็จึงได้เติมชื่อต่อชื่อท่านไปว่าละกุลดักพัทยะแปลว่าละกุลดักผู้อาศัยอยู่ในพัทยนครหรือกุลละกุลดักแห่งพัทยานครเป็นต้นครั้งหนึ่งนั้น กุณดกะและกุณดกะพัทยามานกพร้อมโดยอุบาสกชาวพระนครเป็นจำนวนมากไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเชตวันได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะบวชในพระธรรมวินยัยก็จึงได้ทูลขออุปสมบทต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทานอุปสมบทให เมื่อได้รับการอุปสมบทแล้วท่านก็ได้อุตสาหเล่าเรียนเอาพระกรรมาฐานในสำนักของพระบรมศัดสดาบำเพ็ญเพียรในวิปัสสนากรรมาฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุโสดาปติพลก็ยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่ขั้นการต่อมาท่านได้เข้าไปหาท่านภาษาลีบุตรได้สั่งสมทนาธรรมาสาธรรมมีกระถาซึ่งกันและกัน โดยอนเนกกรปริยายเมื่อสั่งสนทนาอยู่นั้นจิตใจของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วออุปาทานท่านก็ได้สําเร็จอรหัตผลเป็นพระอาเซขะบุคคลในพุทธศาสนาท่านพระกุลตะกะพัทยาผู้นี้เรียนเอาพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดาบมเพลินเพียร น, นั้นสําเร็จเพียงพระอบัลุ เพียงโสดาปฏิผลเท่านั้นแต่ที่ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์นั้นก็ด้วยการสั่งสนทนาทำมีคาถากับท่านพระสารีบุตรโดยอนเนกบิยายในขณะสั่งสนทนาอยู่นั้นจิต ก, ก็จึงได้หลุดพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นโดยอุปาทานจึงสําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านพระกุณเพลศกุณดกะพติยะนั้นปรากฏว่าเป็นคนที่มีรูปร่างเล็กและกระตําเตี้ยมาก ถ้าผู้ใดไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนเมื่อเห็นท่านแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นพระไม่นึกว่าเป็นพระสําคัญว่าเป็นสมณเนินไปดังมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านเข้ามาเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็หลีกกลับไปในขณะที่ท่านกลับไปนะั้นก็ได้ไปสวนกับพระพิสุผู้อยู่ป่าผู้มาจากป่าประมาณสามสิบลูปที่จะที่เข้ามาเฝ้าพุทธองค์ได้เห็นท่านแล้วก็หลีกกันไป พรบรมศาสดาก็จึงตรัสถามพิสุเหล่านั้นว่าพวกเธอนั้นเห็นพระไถ่พระเถระรูปหนึ่งไหมที่ไปจากที่นี่พวกพิสุก็กราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าเห็นสิเห็นไม่ใช่หรือพิสุเหล่านั้นก็กราบทูลว่ า, า, วาเห็นแต่เพียงสัมเนตองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่านั่นแลไม่ใช่สมมเตหลักเป็นพระมหาเถระ พิสุทธิ์่านหลายก็กลาบทูลว่าเล็กเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะดังนี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงถูกพิสุหนุ่มและสมณเณรต่างๆที่เป็นปุตุชนนั้นล้อเลียนท่านะดังมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระพิสุหนุ่มและสมณเณรที่เป็นปุตุชนเห็นท่านแล้วก็จับศีรษะท่านบังที่หูท่านบังที่จมูกท่านบังแล้วก็พูดว่าไงยังไม่อยากสืบ้างหรือ ยังยิ่งดีประพฤติพรหมจรรย์นในพุทธศาสนาอยู่หรือดังนี้เป็นตน้นแต่ท่านก็ไม่โกรธในพิสุนุ่มและสามเณรเหล่านั้นก็เพราะเหตุที่ว่าท่านนั้นเป็นพระขีณาสกความจริงแล้วประการหนึ่งทีท่ท่านไม่โกรธนั้นก็คงจะเนื่องว่าท่านก็คงจะทราบเพราะเหตุที่ว่าร่างกายของท่านเล็ก ทุกคนจะเป็นพระพิสุขหรือสมณะเนรนั้นก็เข้าใจว่าท่านเป็นสมณะเนรจึงได้จับทิฏฐิสะบ้างที่หูบ้างเป็นการหยอกล้อแบบที่ว่าผู้ใหญ่ล้อเด็กอันนี้เพราะความไม่รู้นี่เป็นประการหนึ่งก็จึงไม่น่าจะโกรธเหมือนกันแต่ว่าท่านนั้นได้เป็นพร ะ, พระขีนาศกคือเป็นพระหันซึ่งหมดไปแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งปวงโลภโทสะโมหะท่านก็ไม่ได้มีแล้ว เพราะฉะนั้นถึงแม้จะทำอย่างไรท่านก็ไม่โกรธไม่เคืองและท่านพระละคุณดากะพติยะผู้นี้ปรากฏว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่พูดได้ไพเราะเสนโสดแก่ผู้ฟังมากเหตุดังนั้นพระบรมศาสดา จ, จึงทรงยกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสูจน์ทั้งหลายฝ่ายข้างมีเสียงอันไพเราะ สำหรับในข้อนี้นักศึกษาและท่านสาธุชนจะต้องสมเนียกคือจะต้องจดจำคือท่านพระโสดกุตรกันนะนั้นได้รับรยกย่องจากองค์ทุนเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศ ก, กว่าพิสูจน์ทั้งหลายในด้านแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะแต่ส่วนพระละกุลตกะพัทิยะผู้นี้ได้รับรยกย่องว่า พูดเป็นผู้พูดไพเราะสนอสดนะเป็นผู้พูดไพเราะสนอสดเพราะฉะนั้นได้รับยกย่องผิดถ้าโสนนากุติกันนะนั้นได้รับยกย่องว่าใชา้การแสดงทำด้วยถ้อยคําอันไพเราะแสดงทำด้วยถ้อยคําอันไพเราะนี้หมายถึงว่าแสดงคําโดยการใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมกับเนื้อของธรรมะ แล้วก็เหมาะสมแก่แกผู้ฟังคือที่ว่าใช้ถ้อยคำอันไพเราะนี้ก็คือช้ถ้อยคำที่ทานเรียกว่าเป็นโปรลีภาษาเป็นภาษาของชาวเมืองเป็นภาษาของที่พูดดีเขาพูดกันไม่ใช่ว่าใช้ภาษาตลาดเพราะฉะนั้นท่านพระโสาภุติกนะที่ใช้ถ้อยคำอันไพเราะนี้เสียงท่านนั้นอาจจะไม่ไพเราะกันได้เสียงของท่านนั้นอาจจะ แห่ไปบ้างเบาไปบ้างลึกเรือไปบ้างแต่ว่าเวลาท่านเทศนั้นท่านใช้สำนวนคำพูดนั้นได้ไพเราะเป็นภาษาที่คนิยมใช้กันในหมู่ภาษาที่นิยมไม่ใช่เป็นภาษาตลาดหรือภาษาของภาษาหยาบคายคือเว้นจากการพูดเทพพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพอ้อเจ้อต่างๆชื่อว่าใช้ถ้อยคำอันไพเราะนะ แต่ส่วนพระลกุลตกะพัติยะเถระนี้เป็นผู้ที่พูดได้ด้วยไพเลาะคือสำเนียงเสียงของท่านในไพเราะเสียงไพเลาะนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเหตุแห่งความสรรเสริญประการหนึ่งเพราะเหตุว่าคนเราในโลกนี้มีสี่ประเภทเดยกันคือประเภทที่หนึ่งนั้นลูปปะประมาณิกา ถือรูปเป็นประมาณคนประเภทนี้ชอบคนรูปหล่อรูปสวยงามส ง, ง่าผ่าเผยเมื่อเห็นคนที่มีรูปร่างช น, นี้แล้วก็เกิดความเลื่อบใสอยากจะพูดจยากจะสนทนานด้วยแต่ประเภทที่สองนั่นประเภทที่ว่าโคลสประมาณิกาผู้มีเสียงไพเราะคนประเภทนี้รูปร่างอาจจะไม่สวยแต่ว่าเวลาพูดจานั้นสุ้มเสียงไพเราะเสะน่หสดฟังแล้วละลื่นหู ประเภทที่สามนั้นลูกขับประมาณิกาประเภทนี้เป็นผู้ที่ว่ามีความเศร้าหมองเป็นประมาณคือชอบพระภิกษุสมมเณีที่ห่มผ้า่าหมผ้จีวรหรือว่าเครื่องหนุงห่มนั้นที่เศร้าหมองเพราะเหตุเห็นว่าท่านนั้นที่ใช้จีวรเศ้าหมองนั้นเป็นผู้ทิศไกลไปจากโลกิยะใกล้ที่จะไปสู่โลกุตระแล้วก็มีเป็นผู้ที่ไม่รักสวยรักงาม แต่ประเภทที่สี่นั่นประเภท ธ, ธรรมะประมาณิกาถือธรรมเป็นใหญ่รูปจะสวยก็ตามหรือไม่สวยก็ตามเสียงจะเพราะหรือไม่เพราะก็ตามจะใช้ผ้าห่มที่คล้ำคลาหรือว่าที่สดใสก็ตามไม่สำคัญแต่ถ้าหากว่าแสดงธรรมะได้ไพเร า, าะจับใจแล้วก็ชอบในธรรมะขอ้อนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า พะละกุนดกะพัทยะนี้เข้าในประเภทที่สองคือโคซา ป, ปมาณิกาเป็นผู้ที่มีเสียงไพเราะนะเป็นผู้ที่มีเข้ากับในบุคคลประเภทที่สองคือเป็นคนที่มีเสียงไพเราะเสียงให้ไพเราะนี่บางท่านท่านกล่าวว่าคนที่มีเสียงไพเราะนั้นมีเสียงไพเราะเพราะเหมือนนกกระเวกซึ่งนกกระเวกนี้ตามตำนานท่านกล่าวไว้ว่าแม้กระทั่งเสือกําลังกินอาหารอยู่ เมื่อได้ยินเสียงนกกระเวกนี้ปรากฏว่าปล่อยอาหารนี้เจ้าตออกตกจากปากเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเหตุที่ว่าเสียงนกกระเวกนี้ไยเลาะมากต้องการที่จะได้ยินได้ฟังเสียงนั้นมากกว่าสนใจเสียงมากกว่ากว่าการกินอาหารเพราะฉะนั้นท่านพระกุลดกะพัิยะนี้อยู่ในประเภทที่ว่าเสียงอันไพเราะแต่พระโสนกุติกณะนั้น ได้รับยกย่องทางที่เทศนาหรือแสดงธรรมได้ด้วยถ้อยคำอันไพเราะพระละกุลฑกะพัทิยะนี้เป็นกำลังใหญ่ในการของพู้ลมปราศสานในการประกาศศาสนาองค์หนึ่งท่านดำลงเบนจะขันมาอยู่โดยสมควรแก่กาลเวลาก็ดับขันทัปรินิพานก็ไปอันว่าจบประวัติของท่านพระละกุลฑกะพัิยะเพียงแค่นี้ ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกๆ ท, ท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถึงการบรรยายประวัติของพระเถระองค์ที่ห้าสิบสอง ซึ่งมีนามชื่อว่าพระสุภูติเถระพระสุภูติเถระนี้ประวัติเดิมของท่านท่านนั้นก็เป็นบุตรของสุมาณะเศรษฐีคือบิดาของท่านนั้นชื่อว่าสุมาณเศรษฐีในตระกูลสาวในในในพระนครสาวัตถีคือเกิดในตระกูลของเศรษฐี ในพนครสาวถีนั่นเองในวันเมื่ออนาถบินิกะมหาเศรษฐีทําการฉลองพระเชตวันมหาวิหารก็อนาถบินิกะเศรษฐีนี้เมื่อเลื่อมใสในพุทธศาสนามาพบองค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กรุงราชคกล ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จเป็นพระโ ส, า ส, โสะดาปฏิพันธ์เป็นพระโสดาบันนั้นก็ได้ทูลนราธนาให้พระองค์นั้นทรงสเสด็จไปประกาศศาสนาที่กรุงสาวัตถีเมื่อพระองค์ทรงรับเช่นนี้แล้วก็จึงได้ตนเองกลับไปบ้านก็หาสถานที่ ส, สถานที่ที่จะสร้าง วัดหรือว่าสร้างอารามเป็นที่พักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุทธสงฆ์ก็ไปเห็นว่าสถานที่เหมาะก็คือว่าพระอุทยานของเจ้าเจ้าชายเชษฐ์องค์หนึ่งก็จึงได้ทำการซื้อขอซื้อสถานที่นั้นเจ้าชายเชษฐ์ก็ขายให้ แล้วก็ขอร่วมในการบริจาคเซร์ฟพื้นีดินเพื่อเป็นที่สร้างพระเช้าพระวิหารนั่นตอนที่ประตูเข้าเพียงเล็กน้อยแล้วก็ทรงขนานนามว่าวัดนั้นว่าเชตวันมหาวิหารซึ่งความจริงแล้วท่านอนาถบินติกะเศรษฐีนี้ได้เสียสละทรัพย์เป็นจำนวนมหาศาลเลยในการที่สร้าง วัดเพื่อถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ชื่อวัดนั้นกลายเป็นชื่อของพระเจ้าเฉศตเจ้าของพระแอดเจ้าของที่ดินไปทั้งๆ ท, ที่ว่ามหาเศรษฐีนี้อนาถบินิกะเศรษฐีนี้ก็ได้ซื้อมาเกือบจะหมดทั้งผืนเมื่อได้ทําการสร้างพระเฉตะวันมหาวิหารนี้เสร็จแล้วท่านอนาถบินิกะเศรษฐีผู้นี้ก็จึงได้ทําการฉลองฉลองพระวิหาร คือฉลองวัดในวันที่อนาธาบินิกะเศรษฐีนี่ได้ทําการฉลองพระเชตวันมหาวิหารนั่นเองสุภูติกุดุมพีก็ได้ไปสู่พระวิหารกับด้วยท่านพระมหาอันใดกับท่านอนาธาบินิกะเศรษฐีด้วยคือสุภูติซึ่งเป็นบุตรของสุมาณะเศรษฐีนี่ก็ได้ไปสู่วัดกับท่านอนาธาบินิกะเศรษฐีด้วยเหมือนกันคือเรียกว่า ไปในงานฉลองวัดกับท่านเศรษฐีเหมือนกันเมื่อไปและได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์สุเด็จพระบรมศาสดาแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสต้องการที่จะบวชในพระพุทธศาสนาก็จึงในทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ก็ทรงประทานให้เป็นภิกษุอุปทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุตามความปรารถนา เมื่อสุภูติเถระเมื่อพระสุภูตินี้ได้อุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาเ ร, าเรียนพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกจนกระทั่งนิชมนานคล่องแคล่วมากแล้วก็เรียนเอาพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดานี้ไปกระทําสมณะทำจะเจริญวิปัสนากรรมฐานอยู่ในป่าไม่ช้าไม่นานนักก็สําเร็จพระอรหัตตผล เป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาท่านพระสุภูตินี้ท่านประกอบไปด้วยคุณสมบัติสองประการด้วยกั น, นคุณสมบัติสองประการด้กันคือหนึ่งอารณาวิหารคือเป็นผู้ชำนาญด้วยโลกุตรธรรมสำราญอยู่ด้วยหากิเลสมิได้มีประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นทักขินัยบุคคล ผู้ควรรับซึ่งของทักกินาทานคือเป็นผู้ควรที่ควรแก่ของที่เขามันจะถวายนี่อย่างนี้เป็นต้นประการหนึ่งสองประการนี้ท่านเป็นผู้ประกอบไปด้วยคุณสมบัติสองประการนี้ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้รับยกย่องจากพระบรมาศาสดาว่าเป็นผู้เลิศ ก, กวพิสุทธ์ทั้งหลายในทางอารณะวิหาร และพักทินในยบุคคลความจริงแล้วพระอระหันตุกองค์ท่านก็อยู่หรือว่าชำนาญด้วยอรณะวิหารคือว่าอยู่ด้วยโรกุตระธรรมสำลาญอยู่ด้วยกิเลสหาไม่ได้เหมือนกันและก็เป็นทักทินในยบุคคลเหมือนกันแต่ว่าท่านพระสุภูติผู้นี้เป็นผู้ที่เคร่งครัดมากนั่นเอง หรือว่าเป็นผู้สมควรมากนั่นเองจึงได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ประวัติของท่านนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่มีพิสดารใดเป็นประวัติยอดย่อแต่ก็เป็นพระมหานับนับอยู่ในอสีติมหาสาวกคือเป็นพระมหาสาวกผู้ใหญ่องค์หนึ่ง แล้วก็เป็นพระมหาสาวกที่ได้รับยกย่องไปเอตทถคะคือว่าเลิศ ก, กว่าพิสุทธ์ทั้งหลายองคหนึ่งคือเป็นผู้เลิศในทางอารณาวิหารคือชํงงานาญด้วยโลกุติรธรรมนะคืออยู่ด้วยหากิเลสไม่ได้ประการหนึ่งกับทักกินในยบุคคลเป็นบุคคลเพื่อสมควรแก่การที่ทักกินาทานคือแก่บุคคลที่ถวายอาหารและบิธบัต มีประการหนึ่งท่านนั้นก็ได้เป็นกําลังใหญ่ในการประกาศศาสนาเขาประกาศศาสนาและก็อยู่มาสงวรแก่การก็ดับขันธปนีพายประวัติของท่านก็มีเพียงแค่นี้เท่านั้นเองประวัติของท่านพระมหาเถระองค์ที่ห้าสิบสามเป็นประวัติของท่านพระกังขาเลวะตะเถระ ท่านพระกังขาเรวตะเทระนี้พรมเดิมของท่านหรือประวัติเดิมของท่านนั้นเกิดในตระกูลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติเป็นอันมากก็คือเกิดในสกุลเศรษฐีนั่นเองเป็นคนชาวเมืองสาวถีเดิมนั่นเลยนั่นท่านชื่อว่าเรวตะนะเรวตะ เป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากวันหนึ่งเวลาปัะชาพัดหมายถึงว่าหลังจากพระชันอาหารแล้วคือในเวลาบ่ายมหาชนได้ชักชวนกันไปสู่พระเชตวันมหาวิหารเพื่อจะสดับพระธรรมเทศนานั้นเลวตะนี้ก็ได้ไปกับมหาชนนั้นด้วย แต่ว่าเมื่อไปถึงวัดแล้วที่จะสับดพระธรรมเทศนานั้นแกก็นั่งอยู่ท้ายบริษัทท้ายสุบริษัทคือนั่งข้างหลังทั้งหมดพระบรมศ า, ศาสดาก็ทรงตรัสเทศนาอนุปภีคาถาคือคะถาที่แสดงไปตามลำดับหกข้อจากง่ายไปสู่ยากพลนาถึงทานการให้เป็นต้น ซึ่งอนุปูปีกถานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ประชาชนผู้อ่าผู้ที่ใม่ต่อการเข้ามาสู่พุทธศาสนาคือใหม่ต่อการเข้ามาวัดเพื่อเป็นการกล่อมเกลาให้จิตใจของผู้ฟังนั้นได้อ่อนโยนให้ใสสะอาดพอที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาที่สูงขึ้นไปซะก่อน <c oughs> ในเวลาตรเทศนานั้นเลวตะนี้ก็บังเกิดความเดินใสมีความปรารถนาจะบวชในพระธรรมวินัยก็จึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้อุปสมบทเป็นภิกษุสมดังความตั้งใจแล้วท่านก็อุตสาหเรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระบรมศาสดา แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทอุตสาบำเพ็ญเพียรในพระกรรมฐานโดยไม่เกรงกล้้นได้สำเร็จโลกิยฌานแล้วก็กทำฌานที่ตนได้แล้วนั้นให้เป็นที่ตั้งเป็นบาตรเป็นที่ตั้งจะิงวิปัสนาต่อไปจนกระทั่งได้สำเร็จพระอรหัตตผล เมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตผลแล้วท่านพระเลวตะตานั่งมักจะบังเกิดความสงสัยในกัปยะวัตถุคือสิ่งของที่ถูกต้องตามพระวินัยพุทธบัญญัติอยู่เสมอว่าเป็นของควรแกบ่บรรพชิตที่จะพึงบริโภคใช้สอยหรือไม่ความจริงแล้วบางท่านนั้นอาจจะเข้าใจว่าเหตุอนันใดที่ว่าพระอาหารหันต์นั้นยังยังเกิดมีความสงสัยอยู่ น่าจะหมดความสงสัยไปแล้วแต่ว่าที่ท่านเกิดความสงสัยนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าท่านเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยนั่นเองซึ่งบางครั้งนั้นของนั้นย่อมเกิดขึ้นมีใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆท่านก็ในอันดับแรกก่อนที่จะบริโภคหรือใช้สอยนั้นท่านก็พิจารณาดูซะก่อนว่าของนี้มันควรหรือไม่ควรโดยที่ไม่เร่งรีพิจารณา แต่เมื่อท่านพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกัปปิยะวัตถุคือเป็นของที่ควรใช้ควรบริโภคควรใช้สอยแล้วท่านจึงจะบริโภคจึงจะใช้สอยดังนั้นเมื่อท่านได้กัปปิยะวัตถุอันใดมามาแล้วก็ให้คิดสงสัยอยู่เสมอว่าให้คิดสงสัยอยู่เสมอว่าสิ่งนี้ควรแก่สมณะที่จะบริโภคใช้สอยหรือไม่ เมื่อพิจารณาต่อเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นกับปิยวัตถุโดยท่องแทนนั่นแหละท่านจึงบริภคใช้สอยกับปิยวัตถุอ น, นั้นก็โดยเหตุนี้แหละเพราะเหตุที่ท่านเป็นคนขี้สงสัยอยู่เสมอจึงได้สหธรรมิกทั้งหลายก็จึงได้เติมคำหน้าของท่านว่ากังขาซึ่งแปลว่าความสงสัยว่ากังขาเลวะตะ ซึ่งมีความหมายว่าพระเทวะตะาผู้ขี้สงสัยและวที่เป็นต้นมีความหมายอย่างนี้ท่านพระเวะทวต่าดานปังขาเรวะตะาผู้นี้เป็นผู้ชนานาญในฌานสมาบัติก็คือว่าเป็นผู้ชำนาญในการเข้าฌานเข้าสมาบัติอันเป็นทั้งอันทั้งอ่าทั้งเป็นที่ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตร ะ, ะท่านเข้าสู่ฌา น, อ, นอันสมาบัติอันเป็นพุทธวิสัยได้มาก และก็ฌานสมาบัติที่เป็นพุทธวิสัยนั้นท่านละเว้นโดยกําหนดมีน้อยยิ่งก็คือว่าโซอาเข้าฌานสมาบัติหรือว่าประพฤติปฏิบัติอยู่ในฌานสมาบัติอันเป็นพุทธวิสัยอยู่เสมอเวลาที่จะละเว้นนั้นมีน้อยเหลือเกินคือไม่ให้เวลาเปล่าเปล่าเปล่าว่าง เ, เปล่าไปโดยใช่โดยไร้ประโยชน์ด้วยเหตุนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ทรงยกย่องสรรเสริญท่านว่า เป็นผู้เลิศกว่าพิสูจน์ทั้งหลายผู้ยินดีในฌานสมาบัติคือชอบเข้าฌานสมาบัติโดยที่ไม่ทิ้งเวลาให้เปล่าไปเมื่อท่านดำรงชีวิตและสังขารตามการอันสมควรก็ดับขันธปริิพานก่อนับว่าท่านนั้นก่อนจะปริญพานั้นก็ได้เป็นกำลังใหญ่ ในการกำลังใหญ่ของพระบรมศาสดาในการประกาศศาสนาองค์หนึ่งเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ได้ดับขันธปรินิพานตามการอันเป็นวระสมควรแก่อายุสังขารของท่านประวัติท่านก็มีเพียงแค่นี้ประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่ห้าสิบสี่นั้นก็ได้แก่ประวัติของท่านพระวัคลิเถระ ประวัติของท่านพระวัคคะลิเถละเถระองค์นี้ประวัติเดิมของท่านนั้นก็คือว่าเกิดในตระกูลพราหม์ตระกูลหนึ่งในพระนครสาวัตถีในบรรดาของตระกูลอันวรนนะสี่นั้นก็คือท่านเกิดในวรนนะของพราหมณ์ชื่อว่าวัคคะลิวัคคะลิมานุก เมื่อจำเญเมื่อจเจริญจำเรินไว้แล้วท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนศินละปะวิทยาตามลทัทธิของพรามจนจบไตรเพศคือคำภีสามคำภีของพรามครั้งหนึ่งเพื่อเมื่อพระบรมศาสดานั้นพร้อมด้วยพิสุสงแวดล้อมเป็นบริวารเสด็จเที่ยวไปภายในพระนครสาวัตถี ว่ากคคิมานูุนี้ได้ทัศนาเห็นเข้าคือได้เห็นองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าก็บังเกิดความเรื่อมใสในพระรูปพระโฉมของพระองค์ไม่อิ่มไม่เบื่อหน่ายในการดูอยากจะดูอยู่ทุกเมื่อก็จึงคิดว่าถ้าเราบรนประชาบวชในพุทธศาสนาแล้วเราจะได้เห็นพระองค์อยู่เป็นนิดแต่ถ้าเราไม่บวชแล้วเราจะไม่เห็นพระองค์อยู่เป็นนิด เมื่อคิดเช่นนี้แล้วก็จึงได้ออกบทในพุทธศาสนาท่านพระวกลิองนี้รู้สึกว่าจะแปลกประวัติของท่านจะแปลกกว่าสาวะองค์หนึ่งที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เลื่อมใสเลยแต่ว่าต้องการจะดูพระรูปผระโมของพระองค์เมื่อเห็นพระองค์นั้นเป็นคนที่มีรูปร่างส ง, ง่าสะสวยเรียกว่าเป็นผู้ไม่อิ่มในการดูรูป เป็นคนรักของสวยของงามนะดังที่กล่าวในประวัติของอท่านพระลกุลตกะเทละว่ามนุษย์ในโลกเรานี้มีสี่ประเภทเดียวกันคือรูปปประมาณิกานี่เหมือนกันวัะลิมาน่า์พระเถรพระมกะลิองนี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ที่หนักในรูปเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีรูปร่างงามสงา่าสวยงาม ต้องการจะดูอยู่อยู่เป็นนิดคิดว่าถ้าหากว่าเราไม่บวชเราไม่สามารถจะติดตามพระองค์ไปด้วยทุกแห่งทุกคนไม่สามารถจะดูได้ทุกวี่ทุกวันแต่ถ้าเราบวชแล้วเป็นภาษาวกของพระองค์แล้วก็สามารถจะติดตามคอยดูพระองค์ได้อยู่ทุกวันและทุกเวลาเมื่อคิดชนี้เราจึงออกบทในพุทธศาสนาโดยที่ไม่ได้เลื่อมใสอะไรเลยต้องการเพียงเพื่อที่ต้องการจะดูพระรูประฉมของพระองค์เท่านั้น และท่านนั้นเมื่อขั้นบวชออกมาแล้วก็แทนที่จะท่องบนสาธยายธรรมะหรือบำเพ็ญเพียรในกรรมฐานเปล่าเลยหาทำเช่นนั้นไม่มัวเมาแต่เที่ยวดูพระรูปพระโฉมของพระบรมศาสดาอยู่เท่านั้นเองพระองค์ก็ตรัสว่าตอนแรกๆพระองค์ก็ไม่ตรัสว่าอยากอะไรท่านก็เที่ยวตามชมอยู่เรื่อยๆพระองค์ประทับอยู่ที่ไหน ไปสไหนก็ตามไปเรื่อยประทับอยู่ที่ไหนก็ไปนั่งเฝ้านั่งชมดูรูปโฉมของพองค์นั้นโดยที่ไม่เบื่อไม่คิดเบื่อไม่คิดหนายเลยขั้นต่อมาพระบรมศาสดาก็ตรัสสอนว่าคนอ่ตอัดูก่อนวัคคลิกเธอต้องการจะมาดูร่างกายที่เปื่อยเน่านี้ไปเพื่อประโยชน์อะไรกันวัคคัลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมในที่นี้องคตุณเพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลที่เห็นธรรมะแล้วก็ชื่อว่าเห็นพระองค์เพราะพระองค์นั้นเพราะธรรมะนั้นเป็นคําสอนของพระองค์และผู้ใดเห็นพระองค์แล้วก็ชื่อว่าเป็นเห็นผู้เห็นธรรมะคือหมายความว่าบุคคลใดก็ตามถ้าหากว่าเห็นแต่พระองค์อย่างเดียวโดยไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมะ จะอยู่ใกล้กับพระองค์แค่ไหนก็เหมือนกับว่าอยู่ห่างไกลไม่ได้เคยเห็นพระองค์ไม่ได้เห็นพระองค์แต่บุคคลที่เห็นพระองค์นั้นคือเป็นผู้ที่ประพฤต ธ, ธรรมะถึงแม้ว่าพระองค์จะตรัสสอนอย่างนี้แล้วก็ตามวักะลิกนั้นก็ไม่ละในอันที่จะดูพระองค์หรือจะหลีกหนีไปที่อื่นเฝ้าตามอยู่ดูอยู่ตลอดพระบรมศ า, าสดา น, นั้นก็ทรงดาริว่า ภิกษุองค์ลูกนี้ถ้าไม่ได้ความสรดใจเสียบ้างจากไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเป็นแน่นอนดังนั้นพระองค์ก็ทรงดำริในพระทัยอยู่อย่างนี้แล้วในในการ ใ, ในในวันหนึ่งเมื่อจวนจะถึงวันเข้าพรรษาพระองค์ก็เสด็จไปยังกรุงาราชคลึกมหานครวักลิภิกษุองค์นี้ก็ติดตามไปด้วย ในวันเข้าพรรษานั่นเองพระองค์ก็จึงมีพระพุทธดีกาประนามขับไล่วัคคลิวาให้ออกไปเสียจากสำนักของพระองค์ว่าอัเปหิวะะัคคลิดูก่อนวัคคลิพิสุเธอจงหลีกไปให้พ้นจากสำนักของตถาคตท่านพระวะะัคคลิพอได้ยินพระดำรัสเช่นนี้ขึ้นก็เกิดความน้อยใจว่า บัดนี้พระบรมศาสดานั้นจะไม่ทักทายปลาัยพูดจากับเราอีกต่อไปแล้วเราก็ไม่อาจเมื่อพระองค์ทรงขับไล่เราเช่นนี้แล้วเราก็ไม่อาจที่จะอยู่ในที่เฉพาะพระพักของพระองค์ได้ตลอดตัวตายมากคือสามเดือนก็เกิดมีความเสียใจเป็นอันมาก <c oughs> ที่จะไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปก็จึงได้ต้องจําเป็นออกจากพุทธสํานักแล้วก็คิดว่า เราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันเมื่อไม่ได้ดูพระพุทธองค์และไม่ได้พูจาปลาสัสกับพระพุทธองค์เราจะกระโดดภูเขาให้ตายเสียให้รู้แลรู้ลอดไปเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้ววักคลิภิกษุนั้นก็จึงได้ไปขึ้นไปยังยอดภูเขาพเพื่อที่จะต้องการจะกระโดดเขาให้ตาย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบถึงวาลาจิตของวัคลิภิกษุนั้นพระองค์ก็จึงได้แสดงพระองค์ให้ปรากฏต่อในที่เฉพาะหน้าแล้วก็ตรัสตอบด้วยธรรมีกระถามีประการต่างๆวัคคลิภิกษุนั้นได้เห็นพระพุทธองค์มาปรากฏต่อหน้า แล้วก็ได้ตัดธรรมีกระถาต่อองอ่าต่อตอนนั้นมีประการต่างๆก็เกิดปีติและปราโมทอย่างแรงกล้าขึ้นมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยอากาศก็คือว่าเมื่อเกิดปีติปราโมทอย่างแรงกล้าขึ้นทําให้ตัวนี้ลอยมาได้ประเภทที่เรียกว่าอุเพนคาปีติเรียกว่าทําให้ตัวลอยได้ก็เลย ตามพระองค์นั้นกลับมาคือมาโดยอากาศเรื่องนั้นปีตินั้นโลดมาทางอากาศในขณะที่ตนเองนั้นขณะที่ลอยอยู่ในอากาศนั้นก็นึกถึงพระโอวาทที่พระบรมาศาสดาตรัสสอนแล้วก็คมปีติเสียในอันบนอากาศนั่นเองก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วก็ ลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาที่เจ้าพระพักท่านพระวกริณีประวัติของท่านก็แปลกเดิมเลยนั่นนะ่ะเป็นคนที่เรียกว่าลักสวยลักงามเที่ยวเฝ้าดูองค์สุนพระสมมาสัมพุติเจ้าอยู่ตลอดเวลาองค์สุนพระสมมาสัมพุติเจ้าจะตเตือนอยังไรก็ตามก็ไม่ฟัง จนขนาดพระองค์ก็ดำลี่ว่าถ้าหากไม่ได้รับความสังเวชสลดใจเสบ้างก็จะไม่สําเร็จมาผลอันใดรอคอยจกนกระทั่งวักริณีมีอินทรียแก่กล้าก็จึงได้ประขับประนามขับออกจากสํานักเหมือนโดนขับไปแล้วก็คิดที่จะไปฆ่าตัวตายไปยังภูเขาคิจิกุตพระองค์ทรงรู้ว่าละกิจินีแล้วก็แสดงพระกายของพระองค์ให้ปรากฏต่อหน้าและแสดงธรรมีกถาต่างๆเกิดปีติขึ้นอย่างแรงกล้า ลอยมานอากาศและระลึกถึงโอวาทของพระพุทธองค์ที่ตรัสสอนนั้นก็ข่มปีติและก็ได้สําเร็จเป็นพระอรําเลตอรหัตผลพราะด้วยปฏิสัมพิธาญาณ น, นั้นได้อากาศนั่นเองคือสําเร็จพระอรหันต์บนอากาศนั่นเองอแล้วก็จึงได้ลงมาถวายบังคมองค์สมะเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าพ่อพระพักที่ประทับนั่นเอง ดังนั้นเพราะเหตุที่ว่าท่านพระวัตะลิเทระผู้นี้ด้วยอำนาจปีติคือเป็นผู้สัตเป็นด้วยอำนาจของปีตินี้เองที่เกิดจากความเลื่อมใสคือศรัทธาอันศรัทธาและความเลื่อมใสต่อองค์เด็บสัมมาสัมพุทโธเจ้านี้สามารถที่บรรลุพระอรหัสตตะผลพร้อมโดยปิติสัมพิทานในอากาศใด องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตั้งไว้ในฐานะเอตถะผู้เลิกว่าพิสูจน์ทั้งหลายฝ่ายข้างศรัทธาวิมุตติก็คือว่าพ้นกิเลสหรือว่าหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอํานาจของศรัทธาฝ่ายข้างศรัทธาก็คือว่าเกิดศรัทธาและก็สามารถที่พ้นจากกิเลสได้ท่านพระวะกรีเถระผู้นี้ นับว่าท่านก็ได้เป็นกำลังอันสำคัญขององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์หนึ่งเหมือนกันในการได้ช่วยประกาศพศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองท่านก็อยู่มาโดยการอสมควรแก่ชนอายุของท่านแล้วก็ดับขันธปรินิพานนี่ประวัติของท่านพระมะกลิเถระซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ที่แปลกองค์หนึ่ง ประวัติของท่านก็มีเท่านี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนและท่านฟังผู้ฟังนักศึกษาทั้งหลายได้จำประวัติของท่านไว้อีกประการหนึ่งว่าตอนแรกนั้นท่านไม่ได้มีม่ไบวช ด, ด้วยศรัทธาบวช ด, ด้วยต้องการที่จะดูพระรูปพระโฉมแต่ในตอนหลังนั้น ด้วยอำนาจสัทธาในพระพุทธองค์นั้นสามารถข่มปีติแล้วก็สมเด็จเป็นพระอรหันต์ได้จึงเป็นประวัติที่น่าศึกษาประการหนึ่งนะประวัติของท่านก็มีแค่นี้ก็ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร